ท่านผู้ฟังที่เคารพคะสวัสดีนะคะนี่คือรายการเช่นไร่นาสาโทเนี่ย หลายที่นะคะซึ่งปลูกข้าวรอบนึงก็แล้ว 2 รอบก็แล้วแล้ว ลำบากมั้ยคะสําหรับการปฏิบัติธรรมเอ่อพระสงฆ์ก็มีร่วมไปบิณฑบาตไม่ ซึ่งก็ไม่ได้รกเรื้อรังอ่ะนะคะแต่ว่าค่ะพูดเป็นภาษาธรรมะจะว่าอะไรดีคะก็ แตะเข้าไปใส่รองเท้าได้หรือไม่นึงแล้วกราบเรียนถามต่อเลยได้มั้ยคะ พอได้มั้ยคะเอ่อเรื่องการถอดหรือการใส่เนี่ยถ้าถ้าดูตามที่พระราชบัญญัติเนี่ยนะเอ่อก็ไม่ได้บัญญัติว่าคือคือต้อง ก็หมายเฉยอ่าอ๋อค่ะซึ่งซึ่งอันนี้หมายนั่นเดินนี่ได้หมดค่ะเอ่อทีนี้การเดินจงกรมนี้เอ่อ เอ่อก็ไม่คือไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้ใส่รองเท้าเพราะว่าใส่รองเท้าบางท่านก็อาจจะมีคําแนะนํา ส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์จะไม่ให้ใส่แต่พระพุทธองค์ไม่ได้บัญญัติแล้วก็ทีค่ะต่างกันไม่ อ้าวก็คุณจะรู้อะไรล่ะค่ะอ่าก็เท่ากับ 3-4 ตัวแล้วนะคือได้ซ้อมรองคือ บางเท้าซ้ายเดินเท้าขวาเดินจะรู้ว่าขณะใช่ๆก็คือเมื่อเดินอยู่ก็รู้ว่าเดินอยู่อันนี้ iPod iPad iPad คงไม่ไหว iPod หรือๆ จะฟังอ่าอาจจะฟังธรรมะก็ได้ก็เป็นไปสติอย่างได้อย่างหนึ่งมั้ยคะถูกต้องถูกต้องนะเรามี ดูกระจกอื่นมันมันได้อ่าสติมันอยู่ตรงไหนอ่ะคะเหมือนๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงคําสมาธิสติต้องอยู่ที่เดียวหรือเปล่าคะเอ่อ การรู้แช่งทางทางหูจะมีการรู้แช่งทางเสียงถ้าเราเห็นภาพปุ๊บณวินาทีนั้นก็มีการรู้แช่งทางต่างๆและถ้าและเราได้ยินเสียงเรามีสติ กะเดินแล้วก็เจริญสติแต่ขณะนั้นเดี๋ยวจิตเดี๋ยวสักพักจิตไปรู้เรื่องอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวจิตไม่รู้ อันนี้จะมีผลดีกว่าเอ่อนิดนึงคุณโยมติอยู่ตรง ธาตุไฟของคุณจะต้องสม่ำเสมอนะเพราะฉะนั้นการออกกําลังกายด้วยการเดินนี้ช่วยตรงนี้ได้ 1 <Okay. S> 2 ทําให้เป็นผู้อดทนต่อการเดินทางไกลนะแสดงว่ากล้ามเนื้อของเราได้รับการปรับได้รับการคอนดิชั่นใช่มั้ยมีการออกกําลังสามารถ <Okay. S> 2 ข้อ 3 จะทําให้ อ่าถ้าดูจากพระสูตรต่างๆที่พระอธิบายถึงเรื่องอาการป่วยนั่นนี่โน่นเนี่ยก็จะมีจากการที่ธาตุไฟเนี่ยมัน 3 นะข้อที่ 4 สิ่ง อ่าใหญ่ดีนะธาตุ 4 ข้อแล้วที่เกี่ยว 5 อันนี้เกี่ยวกับเรื่องจิตโดยตรงนั้นคือสมาธิที่ได้ ค่ะดิฉันเองเนี่ยขออนุญาตให้ท่านได้สรุปให้ชัดๆอีกนิดนึงเพราะว่าระยะหลังนะคะดิฉันสังเกตว่าเวลาเอ่อมีประสงค์ อ่าพูดปิดค่ะทีนี้สรุปอีกคร 1 ครั้งเลยค่ะเรื่องของการ <นะ, S 2> เราเดินไปเดินกลับไปกลับมาเรากําหนดจุดเริ่มเรากําหนดจุดที่เราจะจบเดินไปเดินกลับไปกลับมาเรากําหนดจุดเริ่มเรากําหนดจุดที่เราจะจบแนวเราจะ แกว่งแกว่งบ้างไม่แกว่งบ้างแล้วจิตของเราอยู่กับลมหายใจคือตัวมาทําอย่าง โดยในความเห็นของหมอคือว่าถ้าผู้ชาติไม่ได้ค่ะสรุปแล้วอ่าถ้าพอได้แม้เดินซิกแซกได้มั้ยคะท่านคะ ผมติวไปที่ทํางานไปนั่นไปนี่แหละการเดินตรงนั้นเนี่ยเราสามารถเป็นเดินจงกรมได้ตนดีถ้าเรามีอืมทีนี้เอ่อก็มีการ 15 นาทีเป็นอย่างต่ําอืมใช่ป่ะที่พวกเราก็เป็น อ่าได้กี่นาทีก็นับค้างไว้อืมเดินขึ้นบันไดอ่าได้ผลมั้ย นะถ้าขันเราก็จะใช้ประโยชน์ของความที่คือว่าๆกันแล้วเราฝึกทําไปเรื่อยๆอันนี้ช่วยได้แต่ถ้ามันจะไม่ เริ่มต้นยังไงนะคะเนี่ยถึงค่ะเห็นมั้ยคะสติของพระ ด้วยอาการเดินแล้วเดี๋ยวในเรื่องอื่นๆเราค่อยมาเก็บ ใช้เทคโนโลยีทางด้าน FM 106 วันนี้เรา